เรื่องถ้ำตับเตา่าถ้ำตับเตา่าหรือถ้ำดับเท่าภาษาของท่านพระอาจารย์ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ถ้ำ น, นี้เป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์พิจารณาพระอภิธรรมปิดกท่านว่าพิจารณาได้ดีไม่ติดขัดละเอียดลึกซึ้งมาก นี่คือเหตุที่ท่านต้องไปเชียงใหม่เพราะท่านพิจารณาแล้วภาคอื่นไม่เหมาะไม่สะดวกเหมือนภาคเหนือท่านเปรียบให้ฟังว่าเหมือนปลาใหญ่ว่ายอยู่ในแม่น้ำแคบและตื้นพอมาพิจารณาที่ถ้าตับเตา่าหรือถ้าดับเท่าที่ภาคเหนือนี้เหมือนปลาใหญ่ว่ายออกสู่ทะเลหลวงจะเหวี่ยงหัวเหวี่ยงหางไปมาทิศไหนก็ไม่ขัดข้องท่านว่าอย่างนี้ ท้ำแห่งนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับพระอรหันต์รังพุทธการสองรูปรูปหนึ่งคือท่านพระภักคุหนึ่งในกษัตริย์หพระองค์นั้นคือเจ้าสักยะที่ออกบวชพร้อมกันหพระองค์ได้แก่พระอนุรุทธาพระอานนท์พระภักคุพระกิมพิลพระภัทถยาและพระเทวทัตท่านพระอาจารย์รู้ว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดของท่านพระพักคุ ต้องเข้าชานให้ละเอียดเหมือนควันไฟจึงจะรู้แต่ท่านบอกว่าท่านทาไม่ได้รู้แต่ว่าท่านพระพักคุมานิพานที่นี้